ส่งกันบ้านอันนี้เกิดติดเต้นใช่ป่ะรู้สึกว่าหลวงพ่อนั้นจะมีพนังในงานว่าติดเต้นทุกวันแล้วค่ะบรรลัยคนคราวที่แล้วมาลืมหมดเลยว่าจะส่งกันบ้านอะไรแล้วกันก็มันเห็นความคิดนะคะอ่าครั้งก่อนที่ลืมเล่าถวายหลวงพ่อก็คือเห็นความคิดเนี่ยมันแวบขึ้นมาว่ามันมันเป็น ภาพมายาที่จับต้องอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ตกใจมากเวลาเห็นสภาวะนั้นนะคะหลังจากนั้นมาก็จะคิดสั้นลงค่ะแล้วมันก็จะเห็นเลยว่าพอไปอ่านหนังสือหลวงปู่มั่นพูดถึงเรื่องอนุัยกับบ้านชนาว่าจิตเนี่ยมันไปเกาะกับสิ่งที่เสพคุนคือก็จะมีกุศลกับอกุศลนั้ น, น, นเองก็จะเห็นตัวเองว่าไอ้ความคิดพิ่งโทษคนนี้เยอะมากเจ้ค่ะ แล้วก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือถ้าไม่หมกมุ่นในการทำทานกุศลก็จะหมกมุ่นเรื่องเรื่องไปเพ่งโทษและยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็ต้องพยายามปิดปิดทวารด้วยค่ะ mm. แล้วก็ตอนนี้ก็เบาขึ้นค่ะแต่ว่าก็รู้อยู่ว่าพยายามประคองอยู่แล้วดีนะดีที่รู้ทั้งทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งหมดเมป็นสอนธรรมะเราเท่าๆกัน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 อยากขึ้นมาแล้ก็ดินด้นอล้วด้เราเลยทุกแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทุกข์แจมแจ้งรู้กายรู้ใจแจมแจ้งนะนี่ทุกข์ล้วนๆเป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุกบ้า ง, างเขาจะวางเราไม่มีเราขึ้นมาแล้วไม่หยิบฉวยรูปนามปันห้าเป็นเราสมูทัยทุกขะอัตโนมัตินิโรธแจ้งอัตโนมัติในขณะโยน ร, รู้ทุกขะละสมูทัยแจ้งนิโรธนี่คือมัชนเอง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 ของธรรมดาคือกายกับใจนะจนผิดธรรมดาเรยเห็นความเป็นธรรมดาของมันไม่ได้เปนงนง่ายที่สุดเลยนะง่ายเราจะเห็นขันห้าเนี้ยทํางานไปปรุงแต่งไปทั้งวันทั้งคืนมีหน้าที่รู้ความปรุงแต่งของเขาอย่าไปช่วยเขาปรุงแต่งส่วนใหญ่พอจิตไปปรุงอักขุสนแล้วก็ไปปรุงอักขุสนมาแก้กันหรือจิตมีความทุกข์เราก็หาทางทําให้มันมีความสุข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 ชาติคืออะไรชาติคือควาเกิดคือความได้มาซึ่งอายตนะความได้มาซึ่งรูปซึ่งนามชาติสิ้นแล้วเพราะว่ามันวางรูปวางนามไปหมดแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาใหม่่ที่พระเจ้าสอนกันห้าเป็นภาระพระอริยะเจ้าวางภาระลงแล้วแล้วไม่หยิบฉวยภาระนใหม่ขึ้นนี่เรียกชาติสิ้นแล้วรมัญจันสิ้นแล้วหมายถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจบแล้ว จบการศึกษาในศาสนาพุทธปรมาจันท์นี่คือเรื่องของการศึกษาศึกษาศีลสมาธิปัญญาแจ่มแจ้งเป็นปัญญาแจ่มแจ้งในรูปในนามแล้วปล่อยวางได้ถือว่าพรมาจันทร์จบแล้วชาติสิ้นแล้วพรมาจันทร์จบแล้วกิจ ท, ที่ควรทําทําเสร็จแล้วจิต ท, ที่ควรทําคือทําปฏิบัติไปนี้เพื่อความพ้นทุกข์มันหมดภาร ะ, ระหมดงานนะ่ะ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 ความสุขในการมาสุขนิดเดียวความสุขในฌานกว้างกวางกว่ า, วานะจะรู้สึกมีความสุขยะิ่มเบิบไปทุกขุมขนเลยมันเปล่งรัทธิเมียไในความสุขของนิพพานไม่มีขอบเขตเลยใหญ่กว่ากันเยอะไม่ว่าเราจะยักอย่างลงตรงไหนจะอยู่ตรงไหนนะมีแต่ความสุขล้วน การศาสนาพุทธนะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่สุดพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะได้ยินคาสอนของที่เจ้านะ่ะมีบุญวาสนามากให้ภาคเพียนรู้กายรู้ใจของเราไปมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจเป็นลําดับลําดับไปถ้าเมื่อไร่เห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆนัวนแหละเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานพวกเราไม่สามารถรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆ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 อยากรู้แจ้งอริยสัตจที่มีแต่รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจลงไปรู้ลงไปมากๆรู้บ่อยๆรู้ตรงความเป็นจริงไม่ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะอย่างคนทั่วทั่วไปนะก็จะรู้สึกอะไรอย่างเรื่องตัณหาทุกข์ก็ไม่รู้แล้วนะทุกก็เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่เรียกว่าไม่รู้ทุกข์สมุทัยก็ไม่เข้าใจอย่างคนทั่วทั่วไปไม่เห็นหรอกว่ามีตัณหาแล้วทุกข์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 อยากให้มัน้นทุกข์ทาวรมีความอยากขึ้นมาใจจะดิ้นใจจะดิ้นจะเกิดความทุกข์อีกชนิดหนึ่งซ้ําซ้อนขึ้นมาความทุกข์นี้เสียดแทงจิตใจของเรามันมีความอยากเกิดขึ้นทั้งวันมันอยากอะไรมันอยากทนทุกข์แหละทําไมมันอยาก้นทุกข์เพราะมันมีความทุกข์ดันั้นพอมีทุกข์ก็มีความอยากก็มีความอยากก็มีความทุกข์แต่ถมีความอยากแล้วใจมันดิ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์นะยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้น แต่ ใ, ใจจะหมุนวนอยู่อย่างนี้วัดปสงสารหมุนอยู่อย่างนี้ยิ่งดิ้นไปยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ไปยิ่งดิน้นหมุนไปเรื่อยๆหาจุดจบไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไร่เราสามารถรู้แจ้งลงในกายในใจว่ากายใจในี้ตัวทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษเราสลัดคืนความยึดถือกายใจให้ธรรมชาติกไปคืนโลกเข้าไปเพราะกายใจหรือขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็าคือโลกนั่นเองคืนโลกไป ความดิ้นรนในใจยังไม่มีตัวกายตัวใจเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วเราปล่อยมันได้นี่เราก็พ้นทุกข์ไปเปราะหนึ่งเราปล่อยมันได้แล้วใจก็จะไม่มีความดิ้นรนไปหาความทุกขอีกความทุกขที่จะซ้ำซ้อนตามมาก็ไม่มีอีกทีม่มันหมดทุกข์เด็ดขาดสองชั้นเลยพ้นทุกข์จากตัวของมันเองพ้นขันก็พ้นทุกข์พ้นกิเลส ก, ก็พ้นทุกข์นี่ธรรมะหลายชั้นค่อยๆเรียนค่อยๆฟัง แต่ทั้งหมดที่หลวงพ่อพูดนี้นะั้นมันได้มาจากการรู้ทุกข์เท่านั้นเองได้มาจากการรู้กายรู้ใจได้เองบางคนเบื้องต้นก็ต้องรู้กายก่อนเพราะยังรู้ใจไม่ได้แต่สุดท้ายก็ต้องเข้ามาตรลุบบอลกันที่ใจนี่นเองเพราะความสุขความทุกข์กุศลอะกุศลหรือมรรคผล น, นิพพานเกิดที่จิตที่ใจนี่เพราะั้นบางคนจะเริ่มต้นรู้กายก่อนก็ไม่เป็นไรดูใจยังไม่ถึงดูใจยังไม่เห็นมาดูกายกายเป็นบ้าน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 เราไปรู้พื้นทำไมเสียเวลาไม่มีใครเห็นว่าพื้นเม่มันเป็นตัวเราหรอกนะแ้วก็เห็นอยู่แล้วมันไม่ใช่ตัวเราไม่มีใครไปยึดถือว่าพื้นสาลาเป็นตัวเราแนละ้วงั้นเรียนเข้ามาให้ถึงกายถึงใจตัวเราเองเรารู้สึกว่ากายคือตัวเราใจคือตัวเราก็อย่าเรียนออกไปข้างนอกมันไม่ผิดหรอกนะแต่มันอ้อมหนักกว่าเก่าอีกไปรู้ว่าพื้นนี่เย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเงี้ย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 เวลามันจะเห็นเนี่ยเราไม่ได้นึกได้ฝันว่าจะเห็นอย่างนั้นไม่ได้เคยคิดมาก่อนเลในขั้นของการปฏิบัติที่ผ่านมาผ่านมาเราจะรู้สึกว่าตัวจิตถ้ามันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันมีความสุขถ้ามันเป็นผู้หลงไปนะเป็นผู้อยากเป็นผู้ยึดแล้วมันจะเป็นผู้ทุกข์นั้วเราจะรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้รู้ผู้บวตื่นผู้เบิกบานไม่ทุกข์เป็นผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนั่นเป็นทุกข์เดี๋ยคิดว่ามีสองอย่าง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 เราดุนิแรสุดขีดเนยยอมตายเลิกดินน้นรนคล้ายๆเราถูกอันธพาล น, นะไล่ชกมาไล่ชกเราก็สู้บ้างหนีบ้างมานะจะมาจนตรอกแล้วหลังพิงกำแพงแล้วไม่มีทางหนีต่อไปแล้วสู้ก็สู้ไม่ได้จะถึงจุดนั้นเราจะเห็นเลยจิตนี้ไม่ใช่ของที่จะถนอมรักษาไว้ได้ล้วจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยเนะนี่ถึงทียอมนะยอมตายเหมือนเราถูกซ้อมหนักๆแล้วเออตายก็ตายซะจะได้หายเจ็บสักที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 คนในโลกนี้ชอบความสุขท่านบอกว่าปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ไม่เอานะรู้สึกยังไม่พอใจถ้ปฏิบัติแล้วได้ความสุขถึงจะพอใจแต่สุขสุขจริงๆนะสุขในโลกไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยถึยงความสุขในโลกหลวงพ่อก็รู้จักมาเยอนนะการมาสุขทั้งหลายสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายความสุข ในรูปประธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายอย่างชื่อเสียงเกียรติยศอะไรนี่นะมันก็มีนะมีมีอํานาจมีชื่อมีอะไรที่ก็เป็นความสุขแต่ามาเทียบกับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมแล้วนะพูดหยาบหยาบนะยังกับต้อนขี้เนะี่ยความสุขของโลกมันความสุขเหมือนเด็กเล่นฝุ่นเล่นทรายเล่นดินอยู่ข้างถนนนะ่ะมันก็มีความสุข ข, ของมันเลยื่อนเราภาวนา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 แต่ถ้าเรียนธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนรู้กายรู้ใจรู้ไปตามธรรมดาตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปดัดแปลงเขานไม่ได้ทุกอะไรนะขณะที่สติเกิดรู้กายรู้ใจจิตก็มีความสุขขึ้นมาเลยนี่มีความสุขตลอดสายของการปฏิบัตินะถ้าทําถูกถ้าทําผิดแล้วจะทุกข์มากเลยนี่ทําไมหลวงพ่อบอกว่าสุด ท, ท้ายเห็นทุกข์แล้วหลวงพ่อก็บอกว่ามีความสุขตลอดสายเลยฟังแล้วเหมือนขัดกันนะ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 นาทีสุดท้ายที่จะข้ามพบข้ามชาตินั่นแหละหือจะเห็นภาพรวมได้ทั้งหมดคือแจ่มแจ้งในอริยสัจได้ทั้งหมดระหว่างเส้นทางเดินเนี่ยจะรู้เกิดปัญญารู้ขึ้นมาเป็นจุดๆนะพอเรารู้เราเข้าใจอะไรขึ้นมาทีหนึ่งนะ้มันอิม่มออิ่มใจสองสามวันถ้าคนไหนติดใจตรงนี้ก็อยู่นานมีความสุขหลายวันถ้าพวกที่ปัญญาแก่กล้านะมีความสุขสองสาวันจะลุยต่อแล้วไม่อยู่ที่เดิม ไม่เพิกเฉยพอใจในกุศลที่มีแล้วแต่พวกที่ยังเพิกเฉยอยู่นี่พระพุทธเจ้าไม่สำรเสริญนี่มีปัญญาก็มีความสุขมันอิมโบริมใจมันได้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากขึ้นมีความสุขมีวิมุตต์ก็มีความสุขนะจิตหลุดพ้นไปมีความสุขมีความสุขเป็นลําดับลาดับไป แต่ว่าในขณะที่จิตใจมีความสุขเนี่ยเราจะเห็นขันเป็นทุกข์ขนานไปเลยขันนี้ทุกนะข์ล้วนๆนะเอขันห้าเป็นทุกข์ ล, วล้วนๆเราจะเห็นเป็นทุกข์แต่จิตใจที่ไปมีสติสมาธิปัญญาไปรู้ขันห้านี้มีแต่ความสุขเลยปรลาดอย่างนั้นเออจิตใจของเรากับขันห้านะมันแยกส่วนยัมทํางานได้ขันห้าก็ทํางานของขันห้าเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองไป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 ค่อยเรียนไปมันจะรู้มันจะเข้าใจขึ้มนมาด้วยตัวเองตอนหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลท่านสอนนิดเดียวนะท่านไม่พูดเยอะอย่างหลวงพ่อเราพูดจนหายใจไม่ทันเลย <c oughs> หลวงปู่ดูลันะเวลาไปเรียนธรรมะกับท่านนะถ้าไปกราบขอถามกรรมฐานอนะไรถ้าไปทีแรกเนี่ยนะท่านจะสอบประวัติเราหลวอย่างไปบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติทําไงดีอนะไรเงี้ยไม่ตอบ ถ้าจะนั่งหลับตางท่านนะหลับไปเป็นชั่วโมงเลยบางกีเราคิดว่าท่านหลับจริงๆเนอะโอ้ท่านคงอายุมากหลับไปแล้วนั่งรอเคมีครูบาอจารย์อีกคู่หนึ่งหลวงพ่อมนตรีกับแม่ชีวไรท่านไปหาหลวงปู่ดูลนะบอกไปหาหลวงปู่ดูลไปกราบหลวงปู่จะทําจะไปขอเหรียญนนะ่ะทีแรกไม่ได้จะไปหาธรรมะนะจะไปขอเหรียญหลวงปู่ดูล พอหลวงปู่ไปถึงพุฏิหลวงปู่นั่งเก้าอี้ปุ๊บหลวงปู่หลับตาเลยหลับตาเป็นชั่วโมงกว่าเลยสองท่านนั้นยัเป็นสารวาสนะท่านกวนกระบายหลวงพ่อก็เหมือนกันนะท่านท่านหลับตาเป็นชั่วโมงแต่พอท่านลืมตาเนี่ยท่านสอนธรรมะสอนประโยคสองประโยคต่อละหลวงปู่ ด, ดูดไม่สอนเยอะนะหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์อง์อื่นที่ท่านจะรู้อย่างนี้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 ได้ยินว่าคนอื่นเขาพิจารณากำหนดจิตเผาร่างกายให้ให้ไหม้ไปให้หมดหเผาบ้างผมก็ตื่นบอกเผาแล้วมันเกลีม่มๆมันไม่ไหม้ทาไงมันก็ไม่ไหม้ลนะวันหนึ่งไปอยู่ที่หินมะเปฟงไปภาวนาที่บัานหลวงปู่เทศเปไปดูผมซนะมาดูผมแล้วนะ ผ, ผมหายไปหมดเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะแล้วหนังศีรษ ะ, ห, ะหายไปเห็นหัวกระโหลกดูหัวกระโหลกแล้วขาดแค่นี้เละขาดเสร็จแล้ว เอ้มันขาดไปอย่างนี้ถ้าดูเรื่อยๆไปมันจะหมดตัวนะแต่ท่านอยากใจร้อนเน่ยใจร้อนท่านเลยเผาอีกเผาแล้วก็กลิ่มๆนะไม่ไหมหัวแบ่งอยู่อย่างนี้จ <c oughs> น, นออกพรรษานะักกลับมาสุรินอีกกลับมาสุรินก็มารม า, ายงานหลวงปู่ไม่พูดอะไรนะยืนยันอยู่อย่างเดียวว่าผมเส้นเดียวผมเส้นเดียวเสร็จแล้วท่านก็ออกจากหลวงปู่ ด, ดูลไปอยู่บ้านท่านนึ้นเองผมก็จําไม่ได้แล้วผมรายละเอียด ท่านบอกว่าภาวนาไปจนกระทั้งหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทํำยังไงนาะจิตไม่ยอมรวมนี่ท่านสมถะเองนะจิตจงไม่ยอมรวมท่านบอกวันหนึ่งนึกขึ้นได้หลวงปูกก่ให้ดูผมเส้นเดียวท่านก็นึกถึงผมเส้นเดียวผมท่านคงยังยาวกว่านี้เนาะแต่ผมผมมีความยาวเป็นท่อนๆ น, นี่คือกระสินดินนะผมมีสีดานี่กระสินสีนะท่านดูผมูท่านเนาะ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 เพราะนานๆมีคนก็ไปหาคนหนึ่งอย่างเดียวนี้มาวันละร้อยนะหลวงปู่ ด, ดูลูกคงไม่เอาเหมือนกันเลยถึงเจอท่านท่านก็ไม่เอานะทรงไหว่ใบเหมือเหมือนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวอยู่ถ้ตรงเขตวัน น, นึงนั่งคุยอยู่กับพระนะอยู่ๆท่านก็ลุกพลัดพลัดขึ้นมานะคว้ากรดคว้าย่ำนะพระถามหลวงปู่จะไปไหนท่านบอกว่าจะขึ้นเขาธรรมะของเราน้อยสู้เข้าไม่ไหว พรก็งงว่าหลวงปู่อยู่ไปช่วยใครอีกนะภาวนาจนกระทั่งไม่มีอะไรจะต้องทำแนละ้วสบายแล้วไม่เข้าใจนะแต่หลวงปู่หนีขึ้นเขาเช่าพารถรถทัวร์เขามาหลายคันรถทัวร์มานะเอาหลวงปู่ไม่อยู่ขึ้นเขาไปถามเมื่อไหร่จะกลับไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้บอกไว้รถทัวร์กลับไปหลวงปู่ก็ลงมาจากเขา <c oughs> พวกเราไม่ได้เกรดรถทัวร์นั้นนะนะ พวกเราคุณภาพทางจิตทางใจของพวกเราดีกว่าพวกทัววัดพวกทัววัดจะเป็นอีกอย่างหนึง่งถ้าไปทําบุญเท่านั้นแหละทําบุญอย่างเดียวครูบาอาจารย์ไม่ค่อยชื่นชมเท่าไหร่เสียเวลาแล้วพวกเราไปเรียนกรรมฐานเรียนธรรมะนะครูบาอาจารย์ชอบหลายวงนะแก่มากแล้วใครถามกรรมฐานนะสู้ตายนะยิ่งพูดยิ่งคึกคักนาดหลวงปู่เหรียนนะหลวงปู่เหรียน ก่อนมรณาภาพไม่กี่วันนะหลวงพ่ไปกราบท่านท่านนอนอยู่บนเก้าอีอ้เตียงแบบเตียงโรงพยาบาลนะเนี่ยเข้าไปกราบท่านกระดกขึ้นมานะั่งพอท่านเล่าเรื่องการปฏิบัติของท่านนะท่านให้กําลังใจเราต้องสู้ตายนะเราต้องสู้ตายนะอย่าท้อถอยนะเหมือนท่านนี่ท่านสู้ตายแหมท่านรึกเหมิมมากเลยนะเก้าสิบกว่าอยู่บนเตียงแต่เวลาเล่าถึงการปฏิบัตินะรึกเขิม เดี๋ยวพวกเราสนใจธรรมะนะครูบาจารย์ก็คึกคักเข้มแข็งนะถึงแก่แก่แล้วก็ยังคึกคักแต่ถ้าเรามาถามนะเรื่องทําบุญทําทานเรื่องนั่งสมาธิเห็นลิมิตเรื่องอะไรนี่นะครูบาจารย์จะค่อยๆเขี่ยวลงเรื่อยๆนะรู้สึกเออนิพพานซะดีกว่ามั้งแต่มาถามเรื่องเจริญสติเจริญปัญญานี่จะคึกคักแต่คนมันก็มีหลายระดับนะแล้วก็ไม่ได้ว่าเขาว่า ชอบทำบุญไม่ดีนะแล้วก็ดีของเขาทำบุญให้ทานไปตามวัดนวู่นวัดนี้ก่อนจะมีศัพท์อยู่คำเรื่องอรหันทัวใครสืบว่าวัดไหนมีพระอรหันนะแล้วก็ตระเวนไปเรียกอรหันทัวทัวทำบุญไปเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันดีกว่าทำบาปหลวงปู่เทศท่านกบทั่วไปแล้วท่านก็คุยกับหลวงพ่อท่านก็บอกว่าพวกนี้เขาก็ดีนะ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 นั่นคนที่ปฏิบัติธรรมนี่เป็นคนหายากแล้วคนที่ปฏิบัติธรรมจริงจังนะจนเข้าถึงมรรคผลจริงจริงยิ่งยากใจมันเป็นของหายากนั่นธรรมะจริงจริงเป็นของหายากนะพวกเราต้องหาเอานะหาอยู่ในกายในใจค้นลงไปรู้ลงไปในกายในใจนี่แหลนะแต่ไม่ต้องไปหาที่อื่นนะไม่ใช่หาที่หลวงพ่อนะไม่หาที่วัดไม่ได้หาในคอสธรรมะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจ กายกระใจแสดงใจรักให้ดูถึงวันหนึ่งแจ้งขึ้นมาโอ้ธรรมะอัศจรรย์ธรรมะอัศจรรย์แจมแจ้งขึ้นมานะเหมือนธาตุขันธ์มนุษย์จะทนไม่ไหวเลยนะความสุขที่มันท่วมท้นขึ้นมาแต่จิตใจที่เข้าถึงธรรมะแท้ๆมีแต่ความสุขเปนความสุขท่วมท้นอึนเหมือนธาตุขันธ์มนุษย์จะแตกทำลายทนไม่ไหวหอยู่หลายหลายวันค่อยชินค่อยชินวันนี้ทําไมเป็นเป็นธรรมะปลุกใจแต่ชเช้าเชียนาะ